ความสุขบนความทุกข์พระพุทธภาสิตสุขะกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปจะโซนละละเทสุขังสุขะกามานิภูตานิโยดันเดนะนหัหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปจจะโซละพะเทสุขังแปลความว่า ผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นรับไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดสแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่าย ตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนในยากรวมกว่าว่าทงทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนในยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่ากุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทาสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้า แม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิต ไ, ไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันสแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็สแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทาความเดือดร้อนให้ใคร บางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะม่นิชัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งใดเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามอารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่งมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุขสิชั้น เป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขอะไรบ้างกล่าวโดยย่อมีสามภูมิหรือสามชั้นชั้นที่หนึ่งกรรมสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกามเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิเป็นความสุขชั้นหยาบชั้นที่สองชั้นสุขมีแปดขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลําดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้เดชานเรียกว่ารูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิชั้นที่สามนิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมีสี่ขั้นมีความสุขอันเกิดจากโสดาปติมัคโสดาปติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกเหยสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุข แต่พระศาสดาทรงติิงว่าโลกิยาสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกขจึงไช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตระสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกเขาก็จะพ้าทรง ส, งส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงส่งเสงริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอ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 ก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบสแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขาโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำรายทรัพย์การประพฤติผิดในการมการหลอกลวงทำความเสียหายหักร้านประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้น ส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทํากรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภิญญาทานในชีวิตศาตวคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขาดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือพัญญาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในการมการพูดคําจริงคํามีประโยชน์คําอ่อนหวานคําสมานสามัคคีเป็นต้น ก่อให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายเพราะพุทธภาสิ่งเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารคเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกําลังตีงูเรือนอยู่งูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้น ทีอาศัยอยู่ตามเรือนผิดไม่ร้ายเมื่อตรัสถามว่าทําไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกลับพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอไข ค, ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทําเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขากามานิภูตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น